อาบดุบิ الله من الشيطان الرجيم อันไอ้นาคุณอินนาคุณนาวาอิน فإنهم يومئذ في العذاب مشتركو เราจะทำกับผู้กระทิ لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن سليم أ ع ل ا الأرض ويقول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 فلا هادي له وَشَدُوا لَهُ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ و َ ح َْ ه ُ لَا شَرِيكَ لَهُ و َ ش َ د ُ أَنَّ م ُ ح َ م َّ د عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ أَعُوذُ بِكَ ل ِ م َ ت ِ ل ل َ ه ِ ت َ م َ تِمِنْ ش َ ر ِ م َ خ َ ل َ ق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 الله د د ل ا ل l a h u m m a อาภัณิในในบัลญิและอาภัณิในในสัมยิและอาภัินซซริ وبحمد ิ ه عدد خلقه ورضى نفسه و ز ة ه و ه. ه ن ة عرشه ومداد كلماته يحيي يقيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس طرف عين حسبي الله ฮัสบิยัลลอฮ์ัสบิยัลลอฮ์ซึ่งมัมุลเลกุมะรับมาตุลลอฮ์กับรากาตุพี่น้องที่ร่วมนมาศุบที่มัสยิดอันวาสุนนะที่รักทั้งหลายบและพี่น้องที่ติดตามรายการที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละก่อนอื่นนะครับพี่น้องทบทวนความจำสักนิดหนึ่งนะครับว่า คู่อ่านที่เราอ่านอยู่นี่วันนี้มาถึงสุรร้อนอะไรนะอัศว์ฟาอัศฟานี่แปลว่าอะไรผู้เข้าแถวการตั้งแถวต้องการคือคู่อ่านต้องการจะสอนเราอัลลอฮ์เนี่ยสอนมนุษย์การตั้งแถวก็ต้องเท่าต้องต้องตั้งแถวตามที่อัลลอฮ์สอนไม่ใช่ตั้งแถวสเปสป่า ต้งได้ดขีดเส้นใช่ไหมเนี่ยในอะไรเนี่ให้ให้ตั้งแถวให้มันถูกต้องให้มันตรงแล้วก็ให้ตาตุ่มเนี่ยที่ถูกต้องน่ยนะให้ตาตุ่มของคนที่หนึ่งคนที่สองเนี่ยให้มันใกล้ๆ ก, กันชิดๆกันเหนื่อยนะนี่ถ้าเราเช็คกันจริงๆเนี่ยเรานะยังยืนนมาดนะยังไม่ค่อยร้อเอร์นเท่าไหร่นะ แล้วก็ส้นอ่าส้นให้มันตรงกันไม่ใช่เอาปลายเท้าเนี่ยเท่ากันไม่ใช่เอาส้นเท้านั่นคือคําสอนจากอิสลามนี่สอนหมดเลยนะแล้วก็ที่เราอ่านมาถึงสูรโรอัลซอฟฟาร์ดเนี่ยพน้องสังเกตไหมเนี่ยตอนนี้ก็เราเรากำลังมาถึงอายาที่บอกว่าคือผู้นําเนี่ยหัวหน้า ที่ใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยนะผู้นํากับลูกน้องมีไหมล่ะมีกทั้งนั้นแหละอ่าผู้นําเนี่ยผู้นํากับลูกน้องเนี่ยทะเลาะกันในวันกิยามะแล้วก็โต้เถียงกันใช่มเนี่ยคุณอ่านที่จะที่ที่อ่านมาเมือ่ออาทิตย์ที่แล้วก็โตเถียงไปโตเถียงกันมาใช่ไหมโทษคนนั้นโทษคนนี้นี่เอาล้อเล่าให้ฟังมาไปเรื่มจินทั้งหมด กีต้องการต่ออาจอธิบายว่าการมีเพื่อนเนี่ยสําคัญนะการมีเพื่อนอยู่สําคัญที่สุดนี่แต่เพื่อนกับเพื่อนทะเลาะกันใช่ไหมเนี่ยที่จะอนอญาติต่อไปอญาติที่ยี่สิบแปดเนี่ยนี่เพื่อนกับเพื่อนไงก็เป็นหัวหน้ากับลูกน้องเนี่ยทะเลาะกันในวันกิยามาเนี่ยเลาเล่าให้ฟังฉะนั้นวันนี้ก่อนจะถึงก่อนที่จะตายเนี่ยปรับปรุงตัวใหม่พยายาม คบเพืนน่อนอ่ะเอาเพื่อนที่มันเป็นมุสมินด้วยกั น, น่ะดีที่สุดนะครับเช่นขอขอขอยกตัวอย่างนะครับุรานมีอยู่สามใบยายด้วยกันทุกุมเช็ดอันกุาารานนี่นะก่อนที่จะมาเนี่ยพี่เอกับคุาารานสอนอย่างนี้นะครับอัลอคิลล่ายามาอดิมบาบฮุมลิบาิอดูอิลัลมุตตะกีนแปลว่า สหายสหายเหมายถึงเพื่อน น, นะนะที่เราคบกันบนดุนยาใบนี้สหายในวันนั้นมาถึงวันเกียร์มาเนี่ยนะจะเป็นศัตรูต่อกันเห็นยังคนรักกันอยู่บนดุนยานี้ในวันกียร์มาจะเป็นศัตรูต่อกันลิบะอิดีมอัดุในกุรานสุรอตีจุครุฟอัล ย, ยัตีขิเป อินลมุตตีนนอกจากเป็นเพื่อนกันเป็นสหายกันที่เป็นคนมีาศาสนาเดียวกันมีตักว า, าใครจะมีตักวาต่าอร้องรับก่อนอยู่บนดุนยานี้ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมายังรักกันใหม่เหมือนเดิมถึงจะอยู่ต่างประเทศก็ตามรู้จักกันแต่นานๆสิบปีพบกันทีก็ได้พบหน้ากันหมดวันนั้นละการเป็นเพื่อนกันหมดเลยเอามาดูร้องเนี่ยเลือกใครเป็นเพื่อน Allah ใน ก, การในคุรานในสุราอันนิสาอายะที่หนึ่งร้่าวัตตะข้าดลลอ a h u i b r อ h i m a k h a l i y านี่ Allah สอนมนุษย์นะฉันนี่นะเลือกนบีอิบราฮีมเป็นเป็นเพื่อนความจริง Allah ไม่ต้องไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้ใช่ไหมะ Allah ไม่มีลูกไม่มีภรรยา Allah สร้างทุกสิงตัวอย่างแต่ Allah เล่าให้มนุษย์ฟังว่าฉันเอานาบีอิบรอฮมเป็น เพื่อนของฉันต้องการจะสอนอะไรเราเราต้องมาใช้ไปใช้ปชัญญาต่ออ๋อนี่อัลลอฮ์เล่าให้มุฮัมมัดฟังให้นาบีฟังให้นาบีมาสอนว่าอัลลอฮ์นะจะเลือกเพื่อนนะความจริงไม่ต้องมีเพื่อนอัลลอฮ์ก็อยู่ได้ใช่ไหมลนะ่ะแต่สอนมนุษย์ประชานในเลือกนาบีเป็นคนอย่างเรานี่แหละเลือกอิบรอฮีมเพราะอะกีดะหัวใจของอิบรอฮีมอัลลอฮ์ช่างหนึ่ง ยอมเสียสะละใชไหมเชื่อดลูกใช่ไหมเป็นยังพูดบางที่เราจ่ายจีกันทากันอยู่เนี่ยอามาจากนบีอิบรอฮิมทั้งหมดเรื่องที่เรื่องอายะที่สามคนที่เลือกเพื่อนไม่ดีอยู่บนบุญญาไปนี่จะเลือกแบบไหนก็ตามเนี่ยเอาความสวยความรวยอะไรก็ตามแต่ตามหนงตำแหน่งเราครบก็เขาอยู่ก็เขาไม่มีปัญหาเราครบได้แต่อย่าครบลึก ยาวยลัตตไลตานีลัมอตัตทักิสฟุลานันขอลลลาฟุรกอนอายะที่ยี่สิบปดอธิบายบอกว่าโอ้ความวิบัติแก่ฉันเอ้ยนู่นน่ะป็นบในวันเกียม์มาโนน่ะโอ้ความวิบัติแก่ฉันเอ้ยถ้าฉันได้คบคนนั้นเป็นเพื่อนก็ชดีก็รู้จักกันแต่ไม่คบกับมัน จนนะ่ะบ้านมาเมล็ดก็ไม่ครบบนะ้าโอ้โหเห็นไหมก็ไปบนในวันกิดมาอัลลอฮฺจะฉันได้คบคนนี้เป็ น, นเพื่อนคนดีเพราะคนนี้เป็นคนดียังไงเนี่ะมาหนามาสะอาดใมัสยิด แ, แต่การกระทำแต่คนที่เป็นคนดีพอแล้วจนรวยอีกเรื่องหนึง่งไปลองนี่การเลือกครบเป็นเพื่อนบนดวงยาใบนี้เนี่ยอัลลอฮฺสอนเรานะ่ะใช้ปัญญา ส, สติปัญญาความ ความรู้ที่เรามีอยู่นะเออคนจะเลือกใครครบใครเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแล้วก็เล่าเรื่องอะไรเรื่องลับๆให้ฟังกันอะไรกันแล้วก็ขออุอาให้กันอย่าลืมนะมุมินกับมุมินอยู่บนโลกใบนี้ขออุอาให้กันวักไหนที่ขออุอาให้กันเนี่ยรับบิฟิลวีวาลิวาดยะวาลินมุมลิมีนโอ้ Allah ข้พเจทษให้กับฉันให้พ่อแม่ของฉันวาลิลมุมินีนแล้วก็คนมุสินทั้งหมด เห็นยังเราขอให้เขาคนอเมริกาก็ขอให้เราคนญี่ปุ่นก็ขอให้เราคนซาอุดีก็ขอให้เราคนที่เป็นมุสลิมเหมือนเราทั่วโลกเนี่ยต่างคนต่างขอดวงให้การสร้างงานะไม่ทนำะดุลิเล่เนี่ยสอนเราว่าการครบเพื่อนเนี่ยแม้แต่ภรรยาก็อยู่กับ เ, เราก็ต้องเตือนเขาให้เขาปรับปรุงตัวเองให้มีตักวาต่ออรจะได้ พบกันใหม่ในวันเกียรติธรจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นต่างคนต่างนับถืออยู่ด้วยกันได้แล้วบนดุยาไปนี้มันดูญ่ายังอยู่ได้อยู่แล้ว่ะเอาเงินมาล่อเอาความสวยมาล่ออยู่ได้หมดนั่นแหละแต่จะไปเสียใจยในโลกอาคือรอ้อนวันนี้อายาที่ยี่สิบปดกอลูอินนกุมกุณตุมตตูนานาอานิลยามี ก็ลูอินนักุมกุณตุมตะตูนานอานิลยามีนอัลลอฮฺอักบารเนี่ยอัลลอฮเล่าอาย่านี้นะภาพในวันเตียมะนะภาพในวันเตียมะไปยืนอยู่ตรงหน้ า, อ, าอัลลอฮอาทิตย์ที่แล้วใช่มหชี้ทางชี้ทางหรือว่าพาไปนรกพอเดินไปเดินไปจับมันหยุด เห็นไหมฉันจะถามมันจะสอบมันนะ่ะสอบกี่เรื่องนะ่ะอรอหนึ่งเรื่องที่มันพูดอะไรที่มันด่าอิสลามด่านาบีดา่ดากุลอาด่าซุน่านาบีไหนไหมอาทิตย์จะแล้ว嘛เห็นไหมแล้วอามาลุมการงานของมันมีอะไรบ้างที่ทําต่อต้านอิสลามต่อต้านกุลอาต่อต้านสุมาฮัมมัดต่อต้านพวกพี่น้องมุสลิมทั่วโลกเนี่ยถูกเช็คหมดแต่อุลามาอีกท่านหนึ่งพูดเลยว่า อัลลอฮ์จะถามในวันเกียร์มาถามว่าอายุของคุณเนี่ยคุณหมดไปกับเรื่องอะไรเรื่องที่สองร่างกายของคุณเนี่ยเสียสละไปบางเรื่องเรื่องอะไรอ่ะรอเก็ว่าถ้าเสียสละเพื่อการศาสนาของอัลลอฮ์โอ้ยเห็นไหมถ้าเสียสละกูบแบกหาอย่างเดียวหาเงินหาเงินหาเงินอัลลอฮ์สุญญาก็ไม่มีมรู้กลัวก็ไม่มี อ๋อว่าแล้วถามเรื่องเรื่องที่สามเงินทรัพย์สมบัติคูณหามาได้เนี่ยหามายังไงแล้วจ่ายไปยังไงเรื่องที่สีความรู้ที่เรียนจบปริญญาตรีด็อกเตอร์มาเนี่ยความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วเอาไปใช้ ย, ยังไงก็ตอบมาว่า ย, ยังไงกุณอ่านไม่เคยจับว่าถ้ากุณอ่านไม่เคยจับกุณอ่านไม่เคยอ่านอ๋อหรอพี่ว่าเสียใจอฉะนั้นนี่เราจะแนะนําการอาชีพน้ำกั น, นะ น, กนทัดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ความรู้จากผมนะ ความรู้ผ่านน บ, บีหมดเลยฉะนั้นมาหานมาเรียนกูนอ่านดีกว่าพอเรียนกูนอ่านเข้าใจกูนอ่านไปน้องกับนี่ไงอยาอายาที่เรียนต่อไปวันนี้เนี่ยเห็นไหมนี่เขาด่ากันในวันเกีย่ยมาด่าว่าไง ร, ไรู้ไหมกอลูพวกเขากล่าวว่า <c oughs> ในตับซีเขาบอกว่าลูกน้องเนี่ยอ่าลูกน้องเนี่ยด่าใครนะดา่หห า, า, ดาหัวหน้าอ่าด่าหัวหน้า อินนากุมแท้จริงพวกท่านทั้งหลายเนี่ยกุลตุมเปราว่าเคยเคยอะไรครับตะตูนานาเคยมาหาฉันเคยเดินมาหาฉันเคยมาหาฉันที่บ้านหรือที่ออฟฟิศหรือที่สํานักงานหรือที่ไหนก็ตามหรือนัดฉันไปกินข้าวที่ไหนก็ตามแต่มาหาฉัน อลอินนกุมกุลตุมตะตูนานาอนิลยามีนพวกเขากล่าวว่าแท้จริงพวกท่านเคยมาหามาหาเราทางยามีนแปลว่าทางข้างขวาทางด้านขวาทำไมอ า, เ ล, าเล่าอย่างนี้ล่ะต้องต้องเรียนไงถึงว่าถ้ามาข้างขวาก็เดิมมาหา ด้านด้านขวามือไม่ใช่ด้านขวามืออธิบายอย่างนี้หนึ่งตับเสียอธิบายบ่ก ว, ว่ามาบังคับมาใช้อำนาจบังคับอันนี้คือฟังครูเพราะดูนะเดินมาหาเราทางด้านข้างขวาอธิบายยังไงใช้อำนาจบังคับเราให้ทิ้งอย่าทิ้งอย่ายึดอัลล อย่ายึดนบีมุฮัมมัดเป็นแบบอย่างอย่าเอาซุน่านาบีมาใชา้แล้วก็อย่าเชื่อว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวแล้วก็มุฮัมมัดน่้เป็นคนบ้ามุฮัมมัดนั้นเป็นคนอะไรนักสยศาสตร์ความสอนของนบีนั้นมานำเอามาใชา้ทาให้เราแตกแยกกันเนี่ยผู้นำนี่พี่น้องจะเป็นอิหม่างก็ได้ที่แอนตี้ซูน่านมีไหมล่ะเยอะในโลกใบนี้นะครับแต่ขอมาให้เลือกให้หมดเถอะจะไปทําเลยอันจะโกนอันนีั้งไม่ต้องกลัว นี่ไปด่ากันเองนะด่ยว่าไงนะโลอินกุมกุนตุตะตูนาอนลยามีนพวกเขากล่าวว่าแท้จริงพวกท่านเนี่ยเคยมาหาเราทางข้างขวาคือใช้อำนาจบังคับเราแลักคงว่ายามีนมีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือแปลว่าสาบาน อุลมามะอีท่านหนึ่งอธิบายบอกว่ามาสาบานว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์อิสลามน่ยไม่จริงอิสลามโกหกสุนนะนบีโกหกอย่าไปเชื่อแล้วก็วันกิยามะไม่จริงอย่าไปเชื่อพวกนี้ไม่มีหลักฐานมาอธิบายเรกโลกบุญญาใครสร้างเกิดขึ้นมาเอง อ, อย่างงี้เราได้ยินบ่อยๆใช่ไหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่รู้ว่าใครที่เขาเนี่ยมันกระทบบ้างเลยเล็กน้อยมันกระเทือนหมดเลยนะอุลมะอีท่านหนึ่งอธิบายอย่างนี้คําว่ามาด้านข้างขวาเนี่ยคือใช้เงินใช้เงินคุณเปลี่ยนนี่สิฉันเอาเงินไปอ่าเอาเงินไปอเท่าใดหารล้านสิบล้านพันล้านแต่คนที่ใช้เงินบังคับให้ผู้นําเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนนโยบายต่างๆความคิดเนี่ยย่ำหูดีหมดเลยนะ่ะ คุเล็กนานาเนี่ยเคมาหุ่นทั้นเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพว ก, กับผมมาเยี่ยมผมที่บ้านที่มาเยี่ยมเพราะว่าผมพูดภาษาอุนดูได้แก่ก็ดีใจว่าโอ้ยก็นั่งคุยกับผมตอนที่ก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาแล้่อ น, นึงครั้งล่าสุดมีคนคนหนึ่งมาหาฉาันพร้อมกับเช็คใบหนึ่งผมก็ดูแลมันก็พันล้า น, นบอกให้เลิก กรุณานะให้ท่านเนี่ยบังคับโรงเรียนทั้งหมดอย่าสอนคุณธรรมจริยธรรมอย่าสอนหลักการอิสลามเรื่องให้หมดเล่ามาฟังครับผมเ็นผู้สือสานี้เยอะไหมอาญานี้มาแล้วเยอะไหมฉะนั้นคนที่รับนโยบายนี่เอาเงินไปสิเอาเงินไปก็บังคับอย่ามีวิชานี้ให้สอนวิชานี้เต้นรําสอนไปเถอะให้โรงเรียนเนี่ย สอนไปเลยเต้นรำดนตรีสอนเยอะๆแล้วก็คุณธรรมอย่าอย่าสอนก็เดยกพวกเราเต้นรำเก่งหมดเลยเพ อ, อะไรอ่ะพวกเราไม่ได้คิดขนาดเรก็ตามตามอะไรตามไปบอกไงเรียนได้นี่เออนี่เสียงเพลงเบาๆแนตะ่หัอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แนะเล็กในน้อยนะพอจะแตะแตยะบ้าครับต้องว่าอายาร น, นี้เตือนแล้วนะ แล้วก็พี่ลูกน้องเนี่ยด่าใครด่าผู้นําด่าหัวหน้าเองเนี่ยเคยมาหาฉันแล้วมาทําอะไรมาบังคับฉันอุลามะอีท่านหนึ่งบอกไงนะมาบอกว่ามาสาบานด้วยว่าหลักการอิสลามเนี่ยมันใช้ไม่ได้หรอกคุณอย่าอามาชาในโลกนี้มาชาในอาหรับซาอุดีอย่างเดียวพอแล้วอย่างมาชาในเมืองไทยนี่ไม่ได้ในอเมริกาชาไม่ได้แล้วก็อีกอุลามะอีท่านหนึ่งก็บไงนะ เอาเงินท่านฮาซันบอกว่าเอาเงินมาล่อให้ทิ้งอิสลามแบบ น, นี้เปต้นมีสามความหมายนะเอาต่อมาอายาที่ยี่สิบก้าลูบัลลัมตะกูนูมุหมินกาลูบัลลัมตะกูนูมุหมินอัอฮัลลลลอฮฺอัลลัล พวกเขาพูดจะเป็นหัวหน้ามุตะกี้ลูงน้องด่าใช่มหมนี่หัวหน้าตอบน่าขี้เหล่นี่ยเราเล่าเรื่องจริงเพราะเรารู้นิสัยสันดานมนุษย์อย่างดีก็เทิดผู้ภาษาแรงไว้หน่อยก็ลู่พวกเขากปล่าว่ามาถึงพูดจะเป็นหัวหน้าพูดล่อลวงพูดเอาเงินไปไปอะไรนะไป ไปซื้อตัวนั่นนะให้มาอยู่กลุ่มชั้นพวกชั้นกลุ่มชั้นอะไรก็ตามแต่นะพี่ น, อน้องคุณว่าไงนะบัลไม่ใช่ไม่ใช่เช่นนั้นหรอกจะคุณพูดน้องผิดนะบัลลัมตะโกูนโมมินีนพวกท่านไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอ์เองตัางหากก็เองไม่เรียนาศาสนามาง่งถูกหลอกเล็ๆกๆน้อยๆก็ทิ้งอิสลามแล้ว คุณไม่ได้เรียนอีมานคุณไม่ได้เป็นมุมินคุณไม่ใช่เวลาบาคนมาเรียนออิสลามถ้าคุณอ่านกุรอานคุณก็เจอไม่ถูกลอกหลอกอย่นยังงั้นนี่เป็นการจะเตือนว่าบัลลัมตะกูนูมุมินนพวกท่านไม่ได้ศรัทธาในอัลลอฮ์ตัางหาคุณไม่เข้าใจอิสลามตัางหากแหละนี่เจ้านายด่าแล้วไม่ใช่เพราะฉันนะเพราะคุณไม่ พออัลลอฮ์ให้ให้คุณอ่านมาจะมาให้นบีทางนำมาเขาก็พูดนู่นพูดนี่ให้คุณทิ้งได้ลึกๆเนี่ยคุณไม่เอาศาสนาอยู่แล้วพอเอาเงินมาลอ่อไปเลยเอาตำแหน่งมาลอ่อไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่ต่างคนต่างด่าซึ่งกันและกันเห็นไหม <laughs> ในสุรสะรนะะะะะะะะะะะะาะะะะะะะะ อติบายงี้กับกลาล้วีนัตักบรูนั่ตักบรูล้วที่นั่นตัด้านะครับเราจะมาจากไหนกันนะครับกล่าวาก่ผู้ที่่อนอ็่ามวหน้าบอกว่าเราน้องบอที่าพวก็ต้หงือที่คับ ธรกิจกันพวกท่านไม่ให้ปฏิบัติอิสลามนะหลังจากที่อิสลามได้มายัางพวกท่านแล้วบัลกุนตุมมุจริดมีนตรงกันข้ามพวกท่านต่างหากเป็นผู้ที่มีความผิดนี่อัยะอือ่น อ, อ, อ, อ, อธิบายซ้าไปซ้ามาเพื่อให้เราได้ใช้สมองว่าอย่าถูกหลอกอย่าให้เป็นคนที่ถูกหลอกถูกซื้อด้วยเงินด้วยตาแหนง่งด้วยอะไรก็ตามแต่ ที่วันนี้หลายคนนี่นะใช้ชีวิตผิดเพราะถูกบงการโดยเงินโดยชื่อเสียงโดยตำแหน่งโดยนู้นโดยนี้อะไรก็ตามนะครับผิดหมดเลยเอาต้องใช้ชายปัญญาของเราเดินตามอัลกุรอานนะอตัวมาคาพระยะที่สามสิบว่ามากานาละกุมมินสุลตัน เบลกุณตุมข้มันทารนออฮฺอัลลอฮฺัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮาอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลออัลลอฮฺอัลลอฮฺัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัอฮฺออั น, นอฮกอัอฮกันอฮนะฺออันลอฮอั ว่ามากาณละกุมมินสูลตอนมาแปลว่าไม่มีอัลัยกุมเหนือสูเจ้าสุลตอนแปลว่าอำนาจแปลว่าไงนะและเราเนี่ยไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกท่านนี่เห็นไหมตอบกันเองด่ากันเองฉันไปบังคับคุณไม่ได้หรอกเราไม่มีอำนาจเหนือพวกคุณอยู่แล้ว บาลคุณสุนทรได้ว่าอำนาจนะถ้าสุนทรแปลว่ากษัตริย์ตับเดิมแปลว่ากรกษัตริย์แต่ตรงนี้แปลว่าอำนาจคนที่มีคนที่มีอำนาจใหญ่ๆมีอำนาจบนและมากสั่งอะไรก็ได้เนี่ยแบบนี้เป็นต้นนะบัลกุณตุมเก่ามันตองอแต่ถ้ว่าพวกท่านบัลแต่ถ้าว่ากุณตุ้มพวกท่านนั้นเก่ามัน เป็นหมู่ชนที่ตอรีนดื้อดึงตังหานี่ไปในไรนะไปพากาันเนีเนี่ยเราเล่าเป็นความจริงทั้งหมดเอามาดูศัพท์คำว่าตอโตอรีนนี่แปลว่าอะไรนะมาจากตอกตอโกแปลว่าดื้อดึงทำตัวเกินขอบเขตทรยศคนกาเฟ่นี่นะเวลาได้เงิน ได้ชื่อเสียงได้ตําแหน่งได้ผู้หญิงได้อะไรมาก็ตามแต่นะ่ะไม่เคยชุ่กดต่อหรอกจะตอกรจะอนะ้รนะจะทําความผิดเพิ่มขึ้นนี่เอาลอเล่าทางคัมภีร์อักุรอานเลยผ่านนาบีามาุฮัมมัดเอาไปสอนเลยนะคนกาเฟสนี่ยนะเวลาได้ตําแหน่งเพิ่มขึ้นไได้อนน่นมาได้เงินมาได้อะไรมาก็ตาม เขาจะทําความผิดเพิ่มขึ้นเรื่องสู้ยู่ต่ออัลลอฮ์เรื่องนอบน้อมถ่อมตนแบบสุฮาบะนาบีไม่มีใครทําก่อนนี่เตือนพวกเราด้วยนะเวลามีอะไรแต่อะไรเข้ามาในในชีวิตเรามีบ้านใหญ่ขึ้นมีภรรยามีลูกมีนูน้นมีนี่มันต้องนึกถึงนบีเมื่ได้เนี่ยมาอะไรมาต้องอะไรต้องสู้ยู่ต้องชุกร แต่ตรงกันข้ามคนที่ไม่เอาศาสนาเนี่วยวันได้เงินได้อะไรมาก็าตามแต่ทรยศหมดเลยทรยศไม่พออีกเราผ่านมาแล้วใช่ไม้มแล้วก็อะไรอยู่มากกอฟุละเฉยเมยตัวคำสวงสของอิสลามนลยน่นาตุลอล้อให้นะให้ตำแหน่งนะให้เงินนะแต่เคยคิดถึงอลอง่อไหมล่ะฉันหามาเองใช่ไหมแบบกอรูน ความรู้ของฉันเองเอาล้อยไม่เกี่ยวนี่ความสามารถของฉันบุญล้วนเลยนี่สายฉันนี่กลุ่มฉันโอ้พวกนี้กลุ่มนักว่าไปจากตอนนี้มีสามกลุ่มที่มามในเมืองเมืองไทยเนี่ยนะกลุ่มเสื้อเหลืองกับกลุ่มเสื้อแดงและอีกกลุ่มนึงนะอยู่เงียบๆนะกลุ่มที่รักความอาธรรมรักความยุติธรรมเขาเรียกว่าอะไรนะพวกอาดิลล่มุสลิมมุสมินยังอยู่ในกลุ่มอาดิล เราไม่เข้าทางใครนั่นแหละเราต้องเข้าทางว่าใครที่อาดินทํางานเพื่ออัลลอฮ์เราอยู่กับคนคนนี้อัลลอฮ์จะถามในวันเก่ามาเองอยู่กลุ่มไหนอ่ะอัลลอฮ์ถามนะครับแล้วก็เรื่องที่ถามมาแล้วในอดีตมีมาหมดแล้วนีงอยู่กลุ่มไหนเนี่ยมันมีอยสองกลุ่มเหลืองกับแดงวันนี้อยกลุ่มไหน <laughs> แต่นิดๆเพอ์นะเพื่อเข้าใจาอายะนี้ ว่ามาการณ์าวกุมมิสุลตนเราไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกท่านบัลกุนตุมเก้ามังตอรีนแต่ว่าพวกท่านเป็นหมู่ชนที่ดื้อดึงต่างหากฉันบังคับคุณไม่ได้นุ่นไปทะเลาะกันไปด่ากันเองไปต่อว่ากันเองกลายเป็นศัตรูกันในวันเตียมา อย่างครับท่านต้องใช้ปัญญาเล่นการเมืองแบบอิสลามมีไหมมีครับใครที่เป็นผู้นำเราทําไม่ยึดกุลอาณไม่ยึดสุนนะฉันเป็นลูกน้องคุณนะรอวัดกลาก็ติดตามข่าวทุกวันใช่ไหมรอวัดกลาดหยัแดดเยอะอันตรายเอาต่อมาครับตัวงว่าไปด่ากันเองใช่ไหม ถ้าจะไม่ด่ากันนี่ปัญหาในมุกมินในวันควันเกลียมาไม่มีเลยนะขึ้สวบ้านหมดแล้วเข้าสวบ้านหมดแล้วที่เหลืออยู่ที่เล่าให้ฟังในพวกไหนอ่ะพวกกาเฟ่ร้อเลมพวกอะไรตาอะไรที่ด่าอิดด่านบีด่ามุฮัมมัดด่าสุน่านบีเนี่อัลล์เล่าว่ะอัลลอฮัอลมตลิลาต่อมาครับอายุสามสอ ฟ้าَ่าเราให้น ن َ ا ลูรับบิَาอินนั้นละนั้นละได้กุนฟ้าผ่าเราให้นาคำลูรับบินาอินนั้นละได้กุนอัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบาร์อน ต้องการจะอธิบายว่าผลสุดท้ายของผู้ละเมิดขอบเขตนั้นะ น, ะ น, ะนะครับได้รับอะไรผู้ที่ละเมิดขอบเขตได้รับอะไร Allah. อัลลอฮฺอัยงสับทิ่ผ่านมาตอวใช่คนที่ตอวนะใครรู้เปล่าฟิราอนอัลลอเล่าเองอฮบอลาฟิรอฟาอนฟาอินนะตอมซาเอ เอาคำสอนของอัลลอฮ์ไปหาฟาโรห์เพราะฟาโรห์ตอทำอะไรละเมิดขอบเทตแล้วคนจะละเมิดขอบเขตนีสายเป็นอย่างนี้อีกนะอินนัลอินซาณะลายาตออะลอาฮูสต์กนาอัลลอฮ์ Allah, ล่างอินะบีฟังระวังให้ดีตัวเองระวังด้วยนะเวลาอัลลอฮ์ให้มีอะไรเยอะๆนะ ม, นนมีนู่นมีนี่มีนี่มีนั่น มีบ้านมีที่ดินมีควายร้อยตัวมีแพะพันตัวอะไรก็ตามแต่เธอผมมีเงินเยอะๆบ้านใหญ่อัลลอ์มีพวกเยอะเมื่อมนุษย์จะทรยศต่ออัลลอ์เมื่อเขาเห็นว่าเขามีครบทุกอย่างอัลอา์ฮุสตากนาะจริงไหมลนะ่ะจริงครับอุลามาหลายคนโอฉันไม่ต้องการเงิน <c oughs> ฉันต้องการอยู่แบบสมถะอัลลุกดวงใช่่นนะ พอมีเงินแล้วเหนื่อยอ่ะถ้าไม่มีอิสลามเนี่ยเพลินหมดเลยน่ะพอมีอิสลามจะกลัวเลยเนี่ยเฮ้ยอย่างใครอ่ซาลบบาใช่ไหมที่มาขอมานั่งริมนบีนบีครับฉันอยากรวยขอตั้งหลายครั้งเดีวอยู่สภาพนี้แหละดีแล้วมาอีกมาอีกนบีอ่าอ่าอเดี๋ยวจะขอให้ แตสัญญากับนบีว่าไงรู้ไหมถ้าฉันรวยฉันจะดูแล ง, งานาศาสนาของอัลลอฮ์ของท่าน เ, เงินของท่านนี่ก็ขอมาสัญญาแวา้กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ยินหมดนะ่พะพนบีขอดมาก็รวยรวยโดยการผ่านแพ้ไนงะ <c oughs> มีแพ้เลี้ยงอัลลอฮ์จากจากสามตัวสิบตัวเป็นยี่สิบตัวร้อยตัวพันตัวเพราะแพ้มันเยอะขึ้นนะ่ะอยู่ริมสุเราดีๆแล้วต้องอพยพไปอยู่นอกเมือง น, นบีถามว่า ซาลาบาไปไหนไม่ได้มาสูเราเนี่ยชาวบ้านก็ตอบว่านู้นเอาแพะไปเลี้ยงข้างนอกมันนมาทิงหายเอกถามเอกไม่ได้มาเลยว่าสมสกร์ุกก็ไม่มาซาลาบาอยู่ไหนอ๋อโนบีนู่นไปอยู่ที่คนะลองสิบแปดนู่นอ๋อโลสูเราก็ไม่มีตรงนู่นนะพี่น้องนี่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่ายงนะีไม่ได้เข้าสู่เราเลย嘛 ออลอก็ว่าให้ลงมาบอกให้นบีเนี่ยไปขอสการเพราะส่งคนไปขอสการให้ไหมไม่ให้โอ้แพะนี่นาะงของฉันเมียฉันของลูกฉันนี่หลานฉันเหลีงฉันโอลโลคนของออลอมไม่มีมี้องของมนุษย์หมดเลยของพักมีอ่าของพรักการเมืองพอมีพักนี้นะฉันอาศัยพักนี้อยู่นะมันทับนี้นะมีแต่ของออลอไ ม, ม่มีเห็นยังครับแต่เป็นไงครับออลว่าห้ามเก็บสการ์ตั้งแต่วันนี้ไป พอรู้ว่าอัลลอฮ์ไม่เก็บอากาศไม่ให้เก็บอากาศวิ่งมาหานาบีทันเดียฉันไม่รับฉันรอวาฮิยอฺเห็นไหมไปร้องเห็นยังอะ่ะนี่เขาจะคนโมนอาฟิกหน้าไหว้หลังหลอกตอนหน้านะ่ะอย่างนึงคนรับหลังนี่ด่าอัลลอฮ์ด่ า, Allah, ดานาบีด่าสุนานะหนบีหมดเลยท่านอย่าอยากจะปฏิบัติตัวถึงอัลลอฮ์ได้สั่งหนาบคุณอ่านไปว่าตอนเนี่ยแปลว่าทรอยยศใช่ไหม แล้วก็ทําเกินขอบเขตอินนลอินซานลัยยัตะอัลฮุสตากนามนุษย์ถ้าหากว่าตัวเองเห็นว่ามีนู่นมีนี่อะไรเยอะจะจรทรยศต่ออัลลอฮ์แลจ้จริงไ้มจริงต้องระวังตัวให้ดีนะครับฟาฮกกะอไลนากลูรับบินาอินนลาซาอิกู ฝาฮักก็แปลว่าสมจริงแล้วแล้วว่าความจริงนะฮะกุลฝาฮักกูลแปลว่าสมจริงแล้วอาไลนาะแก่เราแล้วสมจริงแก่เราแล้วนี่เป็นพาดนำรายของอ AH นะัลลอฮฺอัลลอฮ์กล่าวเลยนะมึงอย่ทะเลาะกันเลิกได้แล้ว <c oughs> หัวหน้าก็ะดาลุกน้องลูงน้องก็อตำหนิผู้นําในวันกิยามะเพราะว่าพอละพอละ สมจริงแล้วนี่เป็นอะไรเกาลูรอบบินาเกาลูแปลวร่าพระดํารัตคํากล่าวคําพูดหรือถ้อยคํารอบบินาพระผู้อภิบาลของเราอัลลอฮฺเห็นยังครับดังนั้นพระดํารัดของพระผู้อภิบาลของเราฟะฮับ ก, ก็เป็นที่สมจริงแก่เราแล้วอินนาละเจอีกูนแท้จริงเราเป็นผู้ต้องลิมรด ลิมอะไรลิมการลงโทษลิมการทรมานให้เงินกับคุณตอนบนดุนยาให้นูนให้นี่แต่ไม่เคยสู้อยู่ต่อเลาเลยส่งนบีมาสอนนีสัฮาบะอีกเป็นแส น, แสนคนเป็นบุคคลตัวอย่างไม่เคยสนใจเลย <c oughs> โอ้ยแสบไหม <c oughs> นี่ <c oughs> คุณอ่านเ <c oughs> ตือนเรานะฉะนั้นถูกนี่ถูกลงโทษนะ ลาเอ็กแปลว่าชิมลิมลิมรสลาอกคนพูดที่ลิมรสคาว่าลาอ็กเด้งเอาเาอไปชัยคนตายก็ลิมรสเหมือนกันใช่มละ่ะกุลุนับสินลาอกกตุ้นาเอ็กกนนะักุลนับสินาอ็ก็ตุลเมาทุกชีวิตจะต้องลิมรสแห่งความตายเค่ อ, อยังครับคว่าลาอ็กเหือกัน อธิบายตั้งพา์อย่างเดียวพี่น้องหมดเวลามีเวลานี่แตะเล็กๆเลยนะให้เราเข้าใจว่าถูกอัลละว่าลิมรถความการลงโทษขนาดลิมนะรออักบัรลิมรถการลงโทษในนรกอ้าวเคยอ่านคาดิสได้ไหมหลอ ว, ว่าหนังของคนอยู่ในนรกกันหนาขนาดไหนเดินสามวัน จากกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยเดิน3วันหนาขนาดไหน่ะทำไมถึงหนาล่ะก็ลิมิตรไงให้มาแรงป่องกัดแล้วก็ค่อยปวดอุลโลสวันแระบาดกัดอีกก็ปวดไปอีกอุลโลทรมานตายก็ไม่ตายอ่ะสรุปว่าสุดท้ายพิชนะลายโมตุวะา ย, ยายาอะไรพวกนี้นั่งฟังคนงานอุลโลกายกลัวนี่ัวอนตอมาครับตัวเรงว่า ทางคนลูกน้องทางอะไรทางเจ้านายที่ด่ากันในวันเกีย ม, มานะเองทั้งสองกลุ่มนั่นแหละถูกลงโทษหมดนี่เตือนนะวันนี้เตือนตัวนะสำนึกตัวได้แล้วทำอะไรผิดๆเนี่ยนะออะต่อมาครับฟ้ากวยนากุมอินกุณาวิน วะอักวัยนากุมอินนากุนน์อวินอัลลอฮฺอาบดรลอวินอักวาเนี่ยแปลว่าทำให้หลงอักวัยนากุมเราได้ทำให้พวกท่านหลงนี่ไปยอมรับแล้วอะยอมยอมรับยังยับแล้วเนี่ย พวกหัวหน้าเนี่ยยอมรับผิดไปไม่รอดฝ่ายอกวัยน้ากลุ่มเราได้นำพวกท่านให้หลงด้วยการชักนำที่ผิดผิดวันนี้วันนี้ต้องต้องต้องต้องสังเกตดูตัวเองเราเนี่เคยเชิญชวนคนให้ทิ้งศูนหน้ามีไหมเชิญชวนคนเนี่ยไม่ให้อ่านกุรอ่านมีไหมเชิญชวนคนไม่ใหเรียนศาสนามีไหม เชิญเชิญชวนคนมาให้มาฟังาศาสนาผ่านอะไรก็ตามแต่พวกลานพวกเฟซมีไหมแล้วเอาเพลงมาอัดแทนมีเปล่าต้องนึกอะสมัยก่อนเนี้เราก็ชอบมวยกันหมดแล้วนะผมจงครูแอร์พูดครูแอร์พูดแบบว่าจะไปนมัสการก็ดูมวยเอาเรืองเอาไม่ดีซะดายมวย ก็ทิ้งทีวีนะก็มามาวนาฟังวิทยุกันกันนมาพอนามาโจก็ถามเนี่ยว่ามันต่อยประสิทธระอัดไหนแล้วยกเท่าไหร่เราทาได้สํานึกตัวอะไรเยอะนะเป็นเรอพูดของตัวครูบางคนนี่นะมันต่อยถึงยกไหนถึงระอัดไหนแล้วแต่นี้เป็นต้นนะครับเป็นน้องฉะนั้นวันนี้นะโลกดุนยาไปนี่ถึงรอดสักว่าเป็นโลกการหลอกลวง หลอกลวงหมดนี่มีอะไรแต่อะไรขึ้นมาบนโลกนี้นะส่วนใหญ่นะต้งกันเวลานมาสการบนเลยสังเกตอ่าเห็นไหมวันนี้มีเฟซมีไลน์มาล่อคนอันเฟซอันไลน์มากกับอันคูร์นใช่ไหมโอ้วันหนึ่งสามสี่ร้อยคนนะเฟซไลน์ยิ่งตอนนี้ม็อบเยอะใช่ไหมโอ้ยไ่น้องอันสายเหลืองอันสายแดงโลโแต่ดีนิดน่ะโอ้ ฉันต้องอยู่กลุ่มนี้นะมัต้องอะไรก็าตามแต่ม่ไม่ไมไมแตะพอมาฝาควายนะกลุ่มเราได้นำพวกท่านหลงด้วยการชักนำที่ผิดๆอินกุนกอวีนทั้งๆ ท, งที่ทั้งที่แท้จริงเนะี่ยพวกเราเป็นคนหลงด้วยม่ <c oughs> เรานะ่แนะให้คนอื่นหลงแล้วตัวเองก็ หลงด้วยเห็นยังครับไปยอมรับสภาพยอมรับสภาพแบบนี้เอเลเห็นใจไหมล่ะอ้ะาวทาวเห็นใจไหมไม่เห็นใจครับไปยอมรับสภาพแบบนี้วชานนี่นะทําให้คนนี้หลงตัวเองก็หลงนี่เล่าให้อเลฟังเอเลเห็นใจเปล่าที่เราเรียนผ่านมาเนี่ยอะไระเดือนอะไรเลยที่ผ่านมาแล้วเนี่ยผ่านมาว่าไงครับ อะไรน่ยที่สุรศรีสุรศรสบ้าที่ผ่านมาเนี่ย่าวะฮีละใบนะฮุมวะาบนามายัสตาหูนี่อ่านมาแล้วเนี่ยนะในวันเกียรมเย้เนี่ยคนกาเฟ่เนี่ยมีความอยากยืนตัวหน้าอรรรณาตัวสันวันแล้วนะมีความอยากอยู่สี่ห้าอะไรการรวมไปอยากอะไรอยากจะมีอีมาน 2. อ, อยากจะเตาบ้าตัวสมอยากจะกลับไปมีชีวิตใหม่บนโลกดุนยาสาอยากจะปลอดภัยจากการลงโทษหอยากเข้าสวรรค์หอยากจะไายอาหารอร่อยอร่อยอัลลอฮ์ตอบบอกว่าไอความอยากของคุณทั้งหมดนั่นนี่นะมันผ่านมาแล้วมันผ่านมาแล้วตั้งแต่โลกดุนยา จะหาอีมานเขาหากันบนโลกดุนยาใช่ไหมถ้าจะหาจัดต่อ ба ตั ว, ต, วต้องต่อ้าตัวในโลกดุนยาใช่ไหมถ้าต้องการจะความปลอดภัยในโลกต้องหากันในโลกดุนยาไม่ใช่มาหากันในโลกอ่คืเราอันเราเห็นใจปะไม่เห็นใจทึงยอมรับมนาะยว่าไงนะฝะวะโวายนาะคุมอินนาะกุณกอวินเราได นาพวกท่านหลงด้วยการชักนําที่ผิดๆทั้งๆ ท, งที่ทั้งที่แท้จริงเนี่ยพวกเราหลงด้วย อ, อย่างนี้เป็นตัวนี่ไปยอมรับอะไรนะไปะยอมรับสารภาพผิดต่ออสารภาพผิดแบบนี้เอารอให้ให้รางวัลไมไม่มีครับถ้าจะสารภาพผิดเครว่าเตาบ้าต้องเตาบ้าบนโลกดุญยาไม่ใช่ไปสานึกผิดในโลกอ่ะคือรอไม่ได้นะนี่อลอดเตือนเราเอาต่อมาอาญาที่ ส3มสิบสามฟาอินนาฮุมเยาวมาอิฎิมฟิลอาซาบิมูชริกุณฟาอินนาฮุมยวมาอิิมฟลบมชริกาว่าเพราะฉะนั้นอินนาฮุมแท้จริงพวกเขายาวมาอิิมในวันนี้ ฟิลอาซาบฟีแปล ว, ว่าอยู่อยู่ในการลงโทษมุสตาลิกูนส่วนแบ่งมุสตาลิกแปลว่าส่วนแบ่งได้รับการลงโทษมีส่วนแบ่งของการได้รับการลงโทษด้วยหนึ่งโทษเยอะดิยุให้คนอื่นทำผิดตัวเองก็ทำผิดเพราะนั้นเชิญทุกคนได้มีส่วนแบ่งในการยุให้คนอื่นทำผิดแล้วตัวเองก็ทำผิด แล้วก็ดาอิสลามดานบีดาซุนน่นบีโอ้โทษมาเต็มเลยหนีรอดไหมล่ะนี่เตือนเตือนนะคุณอ่านเตือนนะครับอายที่สาสิอินนากะซาลิกะน فعلو بال مجرمين อินนากะซาลิกะน فعلو بال مجرمين อ n n a b แ w a ว่าแท้จริ d กะจาเกแปลว่าในธรรมนองเดียวกันนั่นแหละก a จาเรีกในธรรมนองเดียวกันนั่นแหละน a f a l u ล a ะเราปฏิบัติบิ j มูเจลิมนผู้ที่ทำผิดนี่อัลลอ์เล่าคนที่ทำผิดทั้งหมดตั้งแต่ยุคอาดัมเรื่อยมานะ ถูกลงโทษเหมือนกันหนักหน้าุด้านคนที่แอนตี้อิสลามสมัยอาดัมสมัยโนห์สมัยอิบราฮีมสมัย uf, Isa, as, ยูซุฟไอซาอิลยาสยาสะเราตามแต่ชื่อนบีจำไมห่หม ด, ดนะนะถูกลงโทษเหมือนกันโอ้โหหนะักอินนากะดาลิกะนฟะอัลบิลมุจริมีน นี่เล่าเรื่องคนกาเ ฟ, ฟหมดเลยนะเอามาเล่าเรื่องของดีๆบ้างจะได้สบายใจนะอะของที่ดีมีอะไรบ้างนาบีศรเนี่ยเราหาตักว่าใช่ไหมอยู่บนโลกใบนี้หาตักว่าใช่ไหมหาตักว่าท่านนบีศรเรื่องตักว่าก็เยอะเดี๋ยวนี้ความยุติธรรมนี่คือตักว่าไม่ต้องไปเข้าขัางใครเราทั้งแดงทั้งเหลืองไม่ต้องไปเข้าเพราะว่านั่นจะไม่ได้พาไปหาอาลัลลอฮ์เลยนะ ดูถูกคนผิวดำนี่กิมาชอิสลามดูถูกคนขาวมาใชอิสลามคนที่ประเสริฐที่สุดอัครม ก, กุมอินเดลลอฮีอัจกอุกุมอัลลอ์มองคนพ้วหัวใจไม่เอาความรู้นี่ไปใช่หรือไอน้นี่ผิวไม่เหมือนกันฉันไม่เอาอะใครสอนกูอะสัจธรรมอยู่ตรงนี้หั ว, วใจมองคนด้วยหัวใจแล้วการปฏิบัติด้วย นี่คำคำตัดสินที่ดีที่สุดนะทีนี้คนที่มีตักวาเนี่ซอบ้านนบีสอนี่ซอบ้านนบีนะลูกศิษย์นบีนบะสอนอยังไง ร, รู้ไหมเรื่องเกา่านี่ที่ล่ากุณอันมศุขจึงแล้วเนี่ยอันกุตบา้านอัลลาตรอ น, นับซะหูคอยรอนมินอาฮัดินนี่คนมีตักวานี่ยอย่ามองคุอย่ามองว่าตัวเองเด่นกว่าคนอื่นนี่ตักว่าครับโอ้โหว่าคํานี้คําเดียวนี่ ลดไหมลดทั่วเลยเนี่ยอัลลาตอรอนับซะฮคอยรอนมินอฮ า, าดินอย่ามองตัวเองเด่นกว่าคนจบยังชีวิตที่ภาษาเดียวเนี่ยสะอื้นเราใช่เลยเอ็งมีเงินถ้าเอง็งฉันรวยกับสมคนอื่นวะดูถูกก็เอ็งระวังระวังระวังเห็นท่านนั้นท่านใครไซนาอุมะก็สอนต่ออีกว่า อยู่บนดุญยาเนี่ยก่อนตายให้ทำห้าอย่างเนี่ย เ, เอาของดีด้วยนะไอ้ของไม่ดีเราอยากจะพูดเราอาของดีบ้างหนึ่งให้สแสวงหาความรู้แบบเนี้ยเรียนตบที่เยอะอหลาย ห, หมวหาความรู้สองทำอิบาดาอิบาดตาอะไรน้ำมาดดีที่สุดเพราะชาวบ้านนบีนี่นะครับพี่น้องจะนำมาดสุนนะมากที่สุดนะนมาดเนี่ย ดูฮานี่ไม่เคยขาดก่อนซูโบไม่เคยขาดก่อนซุฮอดก่อนอัษฎหลังหลังหลังซุฮอหลังมกริบหลังอิชะตะฮัดยุทธเขาไม่เคยกขาทํเขาสม่ำเสมมอนี่อิบาดะข้อที่สามพี่น้องสแสวงหาริสกีที่ฮาลาในมุสลิมต้องอยู่แบบนี้ข้อที่สี่อดทนอัลลอฮ์อดทนต่อความเดือดร้อนที่มาพบกับเราเงินนอนเนี่อดเป็นมุสีบ้าไหม เงินเยอะกว่ามูซีบ้านนะเพราะทำให้คนทิ้งอิสลามเพราะเพรา ะ, ะไรนะเพราะเงินนี่แหละเอาต่อมาครับขอบคุณออลลอ์เมื่อได้เนี่ยมัดนี่ห้ารายการให้ทำก่อนตายไม่ใช่ไปไปขอร่ม อ, อยากได้หลังตายแอ น, นั้นหมดสิทธิ์แล้วนะทีนี้พอความตายมาภาพเนี่ยจะสบายห้าอย่างเหมือนกันหนึ่งตอนที่มาไลกามามาถอนวิญญาณเนี่ยถอดแบบทรมานเรื่องแบบนิมนวั น, วน แบบนิ่มนวลยาอายาตุหันนับสุลโมตมาอินนะดีไดไมด่ดีตอนวิญญาณจะออกจากร่างซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่เคยศา ส, สนาอย่างอื่นไม่ได้สอนอิสลามจะสอนวิญญาณออกจากร่างออกยังไงให้สง่างามแล้วก็วิญญาณยิ้มได้ด้วยไม่ถูกตบไม่ถูกตีมาเลกการมาเชิญออกออกออกออกออกออก แบบนิ่มนวลเพราะห้ายามก่อนตายเราทำแล้วอ่ะถามไอ้ทาน่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยครับตอนตายอาลอลมาเชิญวิญญาณออกข้อที่สองนอนอยู่ในกุโบใครมาเยี่ยมเราจำชื่อไปนะใครนาเกศมุงกรัรต้องจำใส่ใส่ใส่ใส่ใ ส, ใ ส, สมองอลอลมีนาเกศมุงการมาหาฌานที่กุโบแล้วตอบได้ไหมล่ะ ถ้ามีอามันฑ์สองและห้ารายการก่อนตานิสัยนะ่อุมัดแนะนํานะแล้อัลลอฮฺจะไม่ให้มาลายกาสององนี้มาทำมาคูให้ท่านกลัวเรื่องคูไม่มีเลยครับนี่จะบอกว่าเอา้านอนให้สบายนอนให้สบายฉันไปละเรื่องที่สามนะครับพี่น้องเดินผ่านสะพานเิรอดแบบง่ายบายลอฮฺอักบัดแล้วก็ วันที่โกลแล้วหุนในเรื่องที่สีนะที่ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมายืนด่ากันเมื่อกี้นี่นะภาพนั้นมีได้ไม่มีไม่มีสำหรับผู้ที่ปฏิบัติ5รายการก่อนตายภาพเด็กยยืนทะเลาะกันด่าอิมามอิหมามด่าลูกน้องยกตัวอย่างนี่จากโซ่เราอย่างเงี้ยอิหมามด่าลูกน้องคุณน้องด่าอิหมามเองเพราะนั้นเอกไม่มีครับภาพนี้ไม่มีพอเราไม่ยกตนเองและเราไม่มองใครเราไม่มองตัวเองเด่นกว่าคนอื่นนี่จบยัง อลัลลอฮ์ชีวิตปลอดภัยหมดเลยกับเรื่องที่ห้าได้เข้าสวรรค์ของอลัลลอฮ์สักหา้าตัวนั่นชีวิตความผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็เป็นและอีกเรื่องหนึง่งนะครับต้องการจะให้กําลังใจพวกเราก็คือว่ามันมีอามันด้านหัวใจอามัณฑ์ก็เว่าอาอามาัลกบูลูกอามันด้านหัวใจมีอะไรบ้าง บางที่เรายั ง, ยงไม่แม้่เข้าใจนะอามันดานได้หัวใจเนี่ยมีมีหลายอย่างเช่นเอกลาสความอะไรครับความบริสุทธิ์ใจโอ้โหยิ่งใหญ่ไหมนะเอกลาสความบริสุทธิ์ใจนี่อามันดานไนะด้นะดานดันดันหัวใจแล้วก็นอบ น, ออน้อมถ่อมตนนี่ดันหัวใจหมดเลยแล้วก็ให้อภัยคนมาจากไหนหัวใจ แล้วก็เตาบ้าตัวใช่มั้ยตาบ้าเนี่ยสารภาพผิดเนี่ยมาจะกหัวใจหมดเลยเนี่ยอามันด้านนั้นหัวใจแล้วก็กลัวใครกลัวอะไมันจะกลัวเงินกลัวอะไรกลัวนรกกลัวสวรรค์อสวรรค์มันจะกลัวเดียวสิกลัวนรกอย่างเดียวนะไอ้เรื่องกลัวทั้งหมดเนี่ยนี่นอามันด้านันหัวใจหมดเลยแล้วก็ขยนกระดอนะรักกบบ้ามีความหวัง อยากจะได้น้่นได้นี้จากอัลลอ์เนี่ยนะนี่เป็นอามันดันถ้าหัวใจของเราเป็นอย่างนี้นะห้าหกรายการนี่นะอยากจะนมาสุนัดเยอะๆเพราะสวาบานนะบีไอเรื่องห้าหกข้ออามันดันหัวใจของเขาพ0นพันเปอร์เซ็นต์หมขนะไซนยนูมัดว่าเป็นนักเลงนักเลงนะพระทับสเาวน์นเป็นไงอัลลอฮ์ว่ากโชั้นหนึ่งจริงๆเนี่ยความกลัวต่ออัลล์ แล้วก็ความนอบนอบ้นอมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์มันช่วยประคองเราไม่ให้ทําบาปบนโลกนี้ไปนี้ไม่มีอย่างอื่นพี่น้องไม่มีอย่างอื่นเราก็าอ่านคนอานคนนึกอย่างอื่นมาแทนได้ไหมถ้าไม่เอาอละนะัลลอฮ์นี่ยไม่มีอย่างอื่นมีตะตะกบบุตรไม่เอาอิสลามอย่างเดียวนะตะกบบุตรเยอะยิงจองหองขี้เหนียวทะเลาะคนตามาเต็มหมดเลยนะ่ะที่เห็นในปัจจุบันนี่ยสังเกตไปนะเอาต่อมาครับ อายะห์ที่สาสิอินนาหุมกะนูอิ ذاقيللهم لا إله إلا الله يستكبرون อัลลอฮฺอักบนี่กระตือเราอีกอินนาหุมกะนูอิ ذاقيللهم لا إله إلا الله يستكبرون الله أكبر อินนามเพราะว่าพวกเขานั้นกาโนอิดาตีลาละหุมเมื่อมีเสียงพูดแกเขาเหล่านั้น เมื่อมีเสียงพูดกับเขาเหล่านั้นมีเสียงตบเบียกดะวะ่าเชิญชวนให้รู้จักอัลล์อาจจะได้ยินอุลมามะพูดอัดจจะยินโตครูพูดอัดจจะยินอะไรก็ตามแต่พูดนะพี ท, ท, ทีวีบ้างหนังสือบ้างอะไรบ้างจะราอ่านครบลาอิลลาฮิลลอเมื่อมีคนมาสอนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะ เมื่อได้ยินแล้วเป็นไงรู้ไหมยัสตะคือบิรูนเป็นไงครับพวกเขายิงพยอมเราเป็นคนแบบนี้ไหมใครที่มีลักษณะแบบนี้นี่คือความวิบัติบ้านปลายของชีวิตแน่นอนเชิญนิร้จักอัลลออัลลออยู่ไหนใครสร้างอัลลอฮฺคำถามจะตามมา นี่ไซตตอนทั้งหมดเลยนะเราก็สงที่เราสงสยนนัยเหมือนกันมีตัวครูบางคนกดโทรศัพท์ามาบผมเขาก็สงสัยว่าอัลล์สร้างทุกสิแล้วใครสร้างอัลลอฮ์นี่ันถามที่สมัยนบีก็ถามกันมาแล้วเบีบอกให้กล่าวเลยนี่นมาจากไซต์ตอ น, นอูซูบินเ ล, ลยมินาเซตตอนวอยู่ยาถามคานี้นั่นเรยนเรียนเรียนเรียนสิ่งศัอล์เยอะ ะนั้นใครก็ตามเมื่อเขาได้ยินการเชิญชวนเมื่อมีเสียงบอกว่าให้หันมาเรียนเรื่องเรื่องอัลลอ์เรื่องกุรานเรื่องสุนานะนาบีเรื่องนบีมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายแล้วก็เราปฏิเสธเขาแล้วก็อะไรแต่สารพัดนายัสตักรุเยเอะยยิงจงหองปฏิเสธไม่เรียนนะบ้านปลายของชีวิตของเขาลำบากหมดเลยถ้าหันมายอมรับอัลลอ์กันดีกว่า วิธีไล่ชายตอนออกจากบ้านทนําไงมันมีสองอย่างสอง ม, มีเสียงนะเสียงไล่ชายตอนกับเสียงออกจากบ้านเนี่ยยินกับชาตอนนถ้าเสียงเพลงน่ะเรียกหรือไล่ถ้าเสียงเพลงนะ่ะเรียกถ้าเสีย ง, งนะยกุางานารไล่ทําได้ไหมต้องทิ้งเท่าไหรนะ่คิดดูสิโอ้โหเปิดกุนาร ก็เพลงอ่ะอันไจะอร่อยกันกันลองฟังดูดิเพลงเนี่ยอร่อยมาละ่ะโลโดุมดุมดุมอยู่ในรถเนี่ยอ้ามีอาหรับอยู่คนหนึ่งมก็มาทำงานยูนิซิคอนเนี่ยเบิดร้านเน่ยดัได้กลับไปแล้วน่ะ น, นั่งคุยกับผมคุยตรงหน้าสุราตรงนี้หนังซื้อที่ปรยุทุภธรรมซื้อของฮิดายาไอะไระน่ะลงลงประวัติตรงนั้นลงเอาว่า มีเด็กอาหรับซาอุดีนสี่ห้าคนนั่งรถแล้วก็เปิดเพลงรถไป้คว่ำมาแล้วก็พวกตำรวจนี่ก็ไปเอาเด็กพวกนี้มามารวงพยาบาลพอเข้าไปในรถโอ้โหเสียงเพลงหมดเลยดึมดึมดึมมเพราะก็พามารงพยาบาลแล้วก็เขาก็สอนตอหัวสอนนะก่อนจะตาย ลาอิลลัฮิลลอฮว่าไม่ได้นี่เป็นลูกอารับพูดภาษาอารับแต่อ่านกัลิมาไม่ได้ก่อนตายเพราะอะไรท่านเล่าเองก็ในรถมันมีอะไรก่อนตายครึ่งชั่วโมงมันทำอะไรอ่ะมันร้องเพลงอ่ะฟังเพลงอ่ะเห็นยังครับฉะนั้นคนที่ จะอยู่ชีวิตชีวิตหลังตายเนี่ย ìn, มันต้องอยู่กับอัลลอฮ์อย่างเดียวถึงจะปลอดภยัยถ้าไปอยู่กับอย่างอื่นเนี่ยไม่ปลอดภัยหมดเลยมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเอง ย, ยึดอัลลอฮ์หรือเปล่าทําไม่ ย, ยึดอัลลอฮ์เนี่ยชีวิตหมดเลยครับพีน่น้องอินนามแกนูอิดะกิลละหุมละอิลฮะอิลลัลลอฮยะซตะบิรุน เพราะว่าพวกเขานั้นเมื่อได้มีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าแลอิลลาอิลลอละไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺยัสตักเบรุนพวกเขาเป็นไงครับยิ่งะยองสมเร็จพราชชีวิตอยู่บนดุนยานี่ปลอดภัยเบอแล้วนี่อลัลลอให้เห็นแค่โลกเดียวนะกตาบปจบอิมามชาเปนสอนดีเขาบอกว่าหลังจากอิลลาเนี่ ละอิละฮ์อิลลติมมชาบเอาเขาฮาคือราข้บาหุ่ล่อนะคำว่าอิลลเนี่ยแปลว่านอกจากหลังจากนอกจากแล้วเนี่นะจะมีของดีตามมาหมดเลยอ้าวละอิละฮไม่มีพระเจ้าอื่นได้อิลล์นอกจากอัลลอฮ์นี่เป็นความดีเป็นความเปรฐไม่มีพระเจ้าอื่นเนี่ยไม่ดีใช่ไหมพระเจ้าในโลกนี้ไม่มี อิลลนอกจากมิอัลลอฮ์องเดียวปลอดภัยหมดเลยอนอีเอาอายะสุดท้ายว่าอย่ากูลูนอินน่าตาลิกูอัลีฮะตินาลิชาอิริมมะจันนูนว่าอย่ากูลอินนา ลาตาริกูอัลฮ์ตินาลิชาอิรมมจันนอัลลอฮฺอัลบ ar นี่ก็เป็นคำด่าอีกด่านบีดูกันแปลครับวายกูลุนและพวกเขายังกล่าวอีกว่านี่มาถึงอาหรับมุชริกีนในนครมักกะ ไม่แต่ปัจจุบันแต่มันถึงไหมถึงด้วยคนในปัจจุบันนี้ถูกด้วยแต่อายานี่เตือนให้นบีพวกอาหรับมุชริกที่ต่อต้านนบีต่อต้านกุรอานต่อต้านมุฮัมมัดต่อต้านสุนนะนบีไม่เชื่อวันเกียรมามีตายแล้วฟื้นนะฟังตรงนี้ว่าอินาาน่มาวายกูรูนและพวกเขานี่ยังกล่าวอีกว่าออินนา ลาตาลิกูจะให้พวกเราเนี่ยละทิ้งจะให้พวกเราเนี่ยทิ้งเลยจะให้พวกเราทิ้งหรือทิ้งใครรู้ไหมประเพณีปฏิบัติเข้าไหมเข้าผู้ลากผู้ใหญ่ปู้ญาติยายจะทิ้งผู้ใหญ่หรือพึงจะพูกกันใช่ไหมโอ้นี่ไม่รักษาหนะ้าผู้ใหญ่ไว้เลยเลยนี่เขาทําอะไรกันมาทั้งเยอะแยะเนี่ย จะทิ้งหมดเลยหรืออย่างนี้เป็นต้นสมัยนี้มีไหมมีอันนี้ เ, าเลาเล่าเองนะวายาคูรูพวกนี้พูดอย่างนี้จะให้พวกเราเนี่ยละทิ้งอาลีฮะตีนาพระเจ้าย่อยๆของเราที่เคยนับถือกันมาเช่นในสมัยนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะมีลาดอุซาอัลลอฮ์แล้วก็ได้อีกนะลาดอุสมานณะ อะรอีกลาโอดามานาตเนี่ยสี่ห้ารายการเนี่ยจะให้ทิ้งพระเจ้าย่อยๆอยู่ในนครมักกะท่าไ่อยู่ในกาบ้านสามหสิบลูกจะทิ้งหมดเลยหรือแล้วก็รวมไปถึงปูญยาตายายที่สอนสอนเอาไว้แบบถูกๆ ก, ก็มีผิดทิ้งหมดเลยหรือแล้ประยึดอะไรแทนลิชัยชาอิตแปว่าอะไรนะกะวี S <S <S สางแปลว่าบทบทกวีนีดาอะไรรูมไหมดาคุรานอาลิชาทิ้งปู่ย่าตายายทิ้งพระเจ้าย่อยๆที่รานับถือมาทิ้งแล้วมายึดคุรานคุรานเป็นกวีนี่เขาดามานะคุรานเป็นอะไรเป็นบทกวีนีดาดุชมดาแล้วคนที่ดาอย่างนี้เอาล่ะเล่นงานไหม ไม่เล่นงานบนดุนยาแต่ไปเล่นงานในวันอัคคีรออัลอลอฮฺสวบอดทนขนาดไหนถ้าเป็นเล่านี่ไม่ได้แล้วสวนกลับเลยใช่เนี่ยรถไปเอา อ, เอายุไปอยู่ไ ป, อไปเอาเอาแพะไปพันตัวกินให้อิ่มนาเอาเมียไปสืบคนมาต้องแต่ด้วยนางกินเหล้ากินเบีย์เชิญตามสบายต่อมาครับมัจญูนแปลว่าอะไรบ้า ลิซ่าไอริมมจันนูนกวี บ, บ้าคนหนึ่งก็นั้นหรือนิดาคขยดานาบีม oh ุฮัมมัดดาอัลกุรอานทั้งหมดเลยเอาคนที่ดานาบีว่าเป็นคนบ้าเป็นนักกวีปลอดภัยหรือไม่ปลอดภยัยไม่ปลอดภัยสักคนหนึ่งพี่น้องหรือเอาคำสอนของนบีมาพูดว่าฉันเอาสุนานาบีมาสอนในหมู่บ้านไม่ได้ทำให้พี่น้องแตกแยกนิดาคข ดาุนนะนบีอะพี่น้องคำพูดที่ออกจากปากเราก็ตามเปนองว่าเพื่อจะปกป้องอะไรก็ตามนะถ้าไมา่ได้ปกป้องอลัลลอฮฺเราซูลนะขาดทุนหมดเลยนี่ตำหนิคุณอ่านตำหนินบีจะให้เราทิ้นพระเจ้าย่อยๆของเรามีร้อยพันๆ น, นี่นะแล้วก็สิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ทิ้งหมดเลยหรือแล้วก็มายึดอะไรชาอ มายึดบทกวีมาถึงกุรานมายึดมุฮัมมัดแล้วก็มุฮัมมัดเป็นบบากับมัจญุนไปไรบ้าเขาดานบีมุฮัมมัดเขาตาหนินบีนาซรคนมาก่าว่ามุฮัมมัดเป็นคนบ้าคนที่ยืนปกปก้องนะคันมีลุงท่านแต่ลุงไม่ไม่ยอมรับให้หลานเป็นนบีผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเห็นครับ มันต้องนึกอะไรเยอะนึกฉะนั้นอย่าตําหนิอัลกุรอานอย่าตําหนินบีอย่าตำหนิสุนานะนบีปัญหาสุฮ า, าบานนบีทั้งหมดที่เขาปกป้องอิสลามกันมาอิหมานทั้งสีเนี่ยตำหนิเขาไม่ได้เลยนะเขาปกป้องปกป้องสุนานะนบีท้าอิหมานทั้งสีเนี่ยพวูดว่าถ้าสุนเสียงที่ฉันสอนไม่ตรงกับของนบีให้ทิ้งของฉันและยึดของใครยึดของนบีแทน ไม่จะยึดของฉันทิ้งของนบไีไม่มีไม่มีอุลม玛คนไหนพูดในโลกนี้นะครับยึดนบีเพราะคุณอานยนี้มันเตือนห น, นึ่งเนี่ยครับตุลลงว่าพี่น้องครับต้องการจะมีชีวิตบนโลกโลกโลกโลกดุงยาใบนี้ให้มีความสุขความสบายอย่าลืมนะสี่ข้อห้าข้อที่ผ่านมาทีนี้ก่อนก่อนจะจบไม่มีอะไรมาเทียบเท่าได้ราคาสู้ไม่ได้ไม่มีอย่างอื่นดีกว่านี้ไม่ได้นึงครับ อ่านกุณอ่านสม่ำเสมอไม่มีอะไรมาเทียบในชีวิตเรื่องที่สองรักษาหนามาด ก, กับจะมาอะไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบกับรางวัลตรงนี้ได้เรื่องที่สามวิครุลล้อไม่มีอะไรมาทำลายได้ขอดูอาไม่มีอะไรมาทำลายได้ติดต่อกับญาติพี่น้องที่เอาล่อสั่งไม่มีอะไรมาทำลายเราได้ถ้าทำสี่ห้าข้อนี้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็รู้จักเผยแผ่อิสลาม ถึงคนจะด่าบ้างอะไรบ้างเชิญแล้วก็ด่าไปเถอะนี่คือราคาอันยิ่งใหญ่บนโลกดุนยาใบนี้ในสายตาของคนกาเฟสฮ่ามันมีอะไรแต่หน้าที่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับก่อนจะจบอยา่ยาอย่าด่าชาวสลับอย่าตำหนิชาวสลับมโนะอัพลฮะซานสอนเด่นคนที่ด่าสลับนะอัลลอฮ์จะไม่ให้ดุอาของเขา د ع อ ء ของเขาอัลลอฮฺไม่รับนี่มาช่วยมาช่วนบีอิบราฮิมนะโอล่าเอาเลมโอล่ามามาเอาหน้าพุลฮัสซานนะอาจารย์ผมเองนะคนที่ด่าชาวสลับด่าซอฮาบานะ دعاء ของเขาอัลลอฮฺไม่รับสองเขาไม่สามารถที่จะซักฟอกหัวใจของเขาให้สะอาดได้เห็นย่างรครับแล้วว่าบ้านป่าชีวิตของคุณขาดทุนหมดเลยแล้วก็ชีวิตไม่มีบัตรกัดสีข้อ หนึ่งชีวิตไม่มีบราระกัดดูอาของคุณอัลลอฮไม่รับสามไม่สามารถสักว่กหัวใจให้สะอาดแล้วก็บ้านปลาชีวิตคุณมีปัญหาขายกตัวอย่างง่ายๆอะ่ะมีอุลมออยู่คนหนึ่งชื่อมาดานีฮัตตร์รอดมาดานีในในในประเทศอินเดียแล้วก็มีชาอยู่คนหนึ่งเกลียดอุลมะมาคนเป็นมุสลิมอะ่ะ<ม>เกลียดอลัลมอละคนนี้อาเลมคนนี้เกียดจังเลยก็ ไปเอาหมวกเขาเนี่ยโตปี้เรียว่าหมวกเอามาแล้วก็มาเหยียบขยี้ด้วยเท้าอีสองวันสามวันต่อมาเนี่ยชายคนนีไ้ไปกระโดดน้ําตายอ่ะบอกเห็นอย่างมันมีตาล่า บ, บ่อน้ําริมบ้านพคนนี้นะ่แะแล้วก็โดนน้ําตายอ่ะทําไมต้องตายแบบนั้นละ่ะก็ทำอะไรไว้ก่อนตายแค่เอามวกของเขามาขยี้ด้วยเท้าตัวเองอะ่ะ ดูถูลคนดูเป็นรอยเห็นยังฉันทำงานสาเร็จแล้วทำไรดูถูกคนเหยียดหยามคนมากนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเพียงแค่นี้นะครับนี่ไม่ใช่เรื่องนบีนะเรื่องชาวบ้านธรรมดาในประเทศอินเดียเนี่พอมีหนังสือกูเล่มหนึ่งอามัดล้าน่ะส่งให้ผมอ่านหนังสือประจําอยู่บ่อยๆสลามุณาลลอฮุมานะับิฮมดีกัสอุลลาฮิลอิลลออัลตะอัสตัุบอัตุอิลย وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ج م ع ي ن الحمد لله رب العالمين